หน้าห้ตรัสกับปุณณะปุณณะท่านบอกว่าดูก่อนปุณณะรูปทั้งหลายที่เห็นด้วยตา <c oughs> อันเป็นรูปที่น่ารักมันเป็นรูปที่น่าปรารถนาน่ารักใคร้น่าพอใจ <c oughs> เป็นที่ยั่วยวนชวนให้รักเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยอยู่แห่งความใคร้ เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดย้อมใจมีอยู่นะแสดงว่ารูปที่สวยงามรูปที่น่าเพลิดเพลินพอใจเนี่ยมีอยู่ถ้าภิกษุย่อมเพลิดเพลินพร่ำสรรเสริญสยบโมเมาในรูปนั้นนะเมื่อภิกษุนั้นเพลิดเพลินพร่ำสรรเสริญสยบโมเมาในรูปนั้นอยู่นันทิย่อมเกิดขึ้นดูก่อนปุณนะ เรากล่าวความเกิดขึ้นแห่งทุกมีได้เพราะความเกิดขึ้นแห่งนันทิความเพลินย่อมเกิดขึ้นนั้นถ้าเราเซลโมเมาในรูปหรือเสียงหรือกลิ่นหรือรสหรือสัมผัสทางกายหรือรู้อารมณ์ด้วยใจตัวธรรมอารมณ์ทั้งหลาย ผู้จาบอกว่าความเพลินย่อมเกิดขึ้น <c oughs> และเพราะความเกิดขึ้นแห่งความเพลินก็คือการเกิดขึ้นพร้อมแห่งกองทุกนั่นเองในกรณีของเสียงกลิ่นรสปตะสะก็จัดไว้อย่างเดียวกันดูก่อนปุณณนะธรรมารมทั้งหลายที่รู้แจ้งด้วยใจอันเป็นธรรมารมที่น่าปลาธนาน่ารักใคร น่าพอใจที่ย้ยวยโยนชวนให้รักเป็นที่เข้าไปตั้งอยู่แห่งความคลายเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดย่อมใจมีอยู่ถ้าพิสูยย่อมเพลิดเพลินพร่ำสรรเสริญสยบโมเมาในธรรมอารมณ์นั้นไซเมื่อพิสูจนั้นเพลิดเพลินพร่ำสรรเสริญสยบโมเมาในธรรมอารมณ์นั้นอยู่นั่นที่ย่อมเกิดขึ้นดูก่อนปุณนะ เรากล่าวว่าความเกิดขึ้นแห่งทุกขมีได้เพราะความเกิดขึ้นแห่งนันทิโดยนัยตรงข้ามนะดูก่อนปุญนะรูปทั้งหลายที่เห็นด้วยตาอันเป็นรูปที่น่าปลาธนาหน้ารักใคร่หน้าพอใจเป็นที่ยั่วยวนชวนให้รักเป็นที่ตั้ง เป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยอยู่แห่งความใกร้เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดย้อมใจมีอยู่ถ้าพิสูจ์ย่อมไม่เพลิดเพลินไม่พร่ำสรรเสริญไม่สยบโมเมาในรูปนั้นไซเมื่อพิสูจน์นั้นไม่เพลิดเพลินไม่พร่ำสรรเสริญไม่สยบโมเมาในรูปนั้นอยู่นันธิย่อมดับไปความเพลินย่อมดับนั่นเอง <c oughs> ดูก่อนปุณณนะเรากล่าวว่า ความดับไปไม่มีเหลือแห่งของแห่งกองทุกแห่งกองทุกมีได้เพราะความดับไปไม่เหลือของนันทินั้นส่วนใหญ่เวลาเราดูในเรื่องของปฏิจจสมปัตยเนี่ยจะเจอคําว่านันทินันทิตลอดเลยผู้เจ้าสอนเยอะมากนันทิคือความเปลินให้ละนันทิ พูดไว้ในหลายแง่หลายมุมอีกเรื่องหนึง่งดูก่อนพิสษุนทั้งหลายก็อาหารทั้งหลายสี่อย่างเหล่านี้มีอะไรเป็นต้นเหตุนิธานะมีอะไรเป็นเครื่องก่อขึ้นสมุทยามีอะไรเป็นเครื่องทำให้เกิดชาตกะมีอะไรเป็นแดนเกิดปภาวะภาว ะ, าวะหรือภพ นะนะคำว่าต้นเหตุเหตุเกิดมีตั้งหลายคำนะใช้แทนกันได้นิทานะสมุททยชาตกะปภ ะ, ะ, ะเหตุปัจจัยนะใช้แทนกันได้หมด <c oughs> ดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายอาหารสี่อย่างเหล่านี้มีตัณหาเป็นต้นเหตุ ดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็ตัณหานี้มีอะไรเป็นต้นเหตุมีอะไรเป็นเครื่องก่อขึ้นมีอะไรเป็นเครื่องทำให้เกิดมีอะไรเป็นแดนเกิดดูก่อนภิกษุทั้งหลายตัณหามีเวทนาเป็นต้นเหตุแล้วก็ไล่ไปนะว่าต่อไปคือเวทนามีอะไรเป็นต้นเหตุดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็เวทนานี้มีอะไรเป็นต้นเหตุมีอะไรเป็นเครื่องก่อขึ้นมีอะไรเป็นเครื่องทาให้เกิดมีอะไรเป็นแดนเกิด ดูก่อนพิสูจนทั้งหลายเวทนามีผัสสะเป็นต้นเหตุแล้วก็ไล่ส า, ายปฏิจจสมุปาทไปไล่ลำดับเหตุของการเกิดขึ้น <c oughs> ดูก่อนพิสูจทั้งหลายก็ผัสสะนี้มีอะไรเป็นต้นเหตุมีอะไรเป็นเครื่องก่อขึ้น มีไรเป็นเครื่องทําให้เกิดขึ้นมีไรเป็นแดนเกิดดูก่อนพิสูุทั้งหลายผัสสะมีสลายยานะเป็นต้นเหตุดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายก็สลายยานะมีอะไรเป็นต้นเหตุมีไรเป็นเครื่องก่อขึ้นมีไรเป็นเครื่องทําให้เกิดมีไรเป็นแดนเกิดสลายยนะมีนามรูปเป็นต้นเหตุนามรูปมีวิญญาณเป็นต้นเหตุวิญญาณมีนะสังขารเป็นต้นเหตุ สังขารทั้งหลายเหล่านี้มีอวิชาเป็นต้นเหตุหรือสังขารตรงนี้จะเปรียบเหมือนนามรูปก็ได้นะนามรูปมีวิญญาณเป็นต้นเหตุวิญญาณมีนามรูปเป็นต้นเหตุก็ได้ในสายปฏิจจาบาังสายผู้เจ้ากา็โยงกันไปกันมาระหว่างวิญญาณกับ น, นามรูป ถ้าสังขารทั้งหลายเหล่านี้มีอะไรเป็นต้นเหตุก็คือสังขารทั้งหลายเหล่านี้มีอวิชชาความไม่รู้เป็นเหตุนั้นความไม่รู้จึงเป็นเหตุให้สรรพสิ่งเนี่ยทั้งวิญญาณและนามรูประบบทั้งหมดนี้เกิดขึ้นม า, านี้อาหาร4ผู้เจ้าตัดอย่างไรมีอะไรบ้างอาหาร4ี่ ดูก่อนพิษูทั้งหลายอาหารสีอย่างเหล่านี้ย่อมเป็นไปเพื่อความดำรงอยู่ของปูตสัตว์ทั้งหลายหรือว่าเพื่ออนุเคราะห์แก่สัมภเวสีสัตว์ทั้งหลายอาหารสีอย่างเป็นอย่างไรเล่าสี่อย่างคือหนึ่งกภเพรีกาลาอาหารอาหารที่ยาบที่ละเอียดบ้างคือคำข้าวนี่แหละกภเพรีกาลาอาหารอาหารคือคำข้าวผัสาหารมโนสันเจตนาวิญญาณ ดูก่อนพิสุงหลายอาหาร4ี่อย่างเหล่านี้แลย่อมเป็นไปเพื่อความดำรงอยู่ของปุถสัตทั้งหลายหรือว่าเพื่ออนุเคราะห์แก่สัมภเวสีสัตว์ทั้งหลายพุถสัตว์สัตว์ที่ไปปังเกิดในภพอนุเคราะห์แก่สัมภเวสีสัตว์สัตว์ที่สแสวงหาที่เกิดขณะที่ยังไม่ได้พบอะไรเป็น เหตุให้จิตนั้นนําไปสู่พบผู้เจ้าบอกตัวตันหาที่วัชชะถามว่าหลังจากกายนี้แตกําลายแล้วยังไม่ได้กายใหม่อะไรเป็นเหตุให้พาไปสู่กายใหม่ผู้เจ้าบอกตันหาเป็นเชื้อของการเกิดนั้นสัมภเวสีสัตว์ก็สัตว์ที่กําลังแสวงหาที่เกิดควรจะเป็นจังหวะตรงนี้ที่สัตว์ยังไม่ได้กายใหม่ แล้วต้องการได้การเกิดตัวตัณหาคือความอยากเป็นการทำให้ดวงจิตนั้นได้มาซึ่งภพดูก่อนพิสูจทั้งหลายก็อาหารสี่อย่างเหล่านี้มีอะไรเป็นเหตุเกิดนิธานะมีอะไรเป็นเครื่องก่อให้เกิดสมุทยะมีอะไรเป็นเครื่องกำเนิดชาตกะ มีอะไรเป็นแดนเกิดปัฏฐาะดูก่อนพิกษุทั้งหลายอาหารสีอย่างเหล่านี้มีตัณหาเป็นเหตุให้เกิดมีตัณหาเป็นเครื่องก่อให้เกิดมีตัณหาเป็นเครื่องกำเนิดมีตัณหาเป็นแดนเกิดตัณหามีเวทนาเป็นเหตุให้เกิดขึ้นเวทนามีผัสสะเป็นเหตุให้เกิดผัสสะมีสลายนะเป็นเหตุให้เกิดไล่ไปเรื่อยๆนะ จนกทั้งถึงอวิชชา <c oughs> มีไม้ที่พระุทธเจ้าพูดกระโดดจากข้างบนมาข้างล่างเลยก็มีถ้าเราดูไปเรื่อยๆก็จะเจออย่างเช่นพระุทธเจ้าพูดว่าอาวิชชาเป็นเหตุให้ทุกเกิดนามรูปเป็นเหตุให้ทุกเกิดก็มีวิญญาณเป็นเหตุให้ทุกเกิดก็มี ผาสาเป็นเหตุให้ทุกเกิดก็มีในสายปฏิจจ ա เนี่ยก็จับคู่กระโดดกันข้ามไปข้ามมาได้หลายแบบ <c oughs> ดูก่อนขบดีเมื่อจิตไม่ได้รับการรักษากายกรรมวจีกรรมมโนกรรมก็เป็นอันไม่ได้รับการรักษานั้นถ้าจิต ไม่ได้รับการรักษาไม่ได้ดูแลเนี่ยเราไม่ดูแลจิตเนี่ยกายวาจาใจก็เป็นอันไม่ได้รับการรักษา <c oughs> เมื่อกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมไม่ได้รับการรักษากายกรรมวจีกรรมมโนกรรมก็มีสภาพเปียกแฉะเมื่อกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเปียกแฉะกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมก็มีสภาพบูดเน่า เมื่อกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมบูตรเน่าก็มีการตายที่ไม่งดงามมีการกริยาที่ไม่งดงามเปรียบเหมือนเมื่อเรือนหลังคาแหลมมุงไม่ดียอดหลังคาก็เป็นอันไม่ได้รับการรักษากรอนหลังคาก็เป็นอันไม่ได้รับการรักษาฟ้าเรือนก็เป็นอันไม่ได้รับการรักษา อกไก่ก็เปียกชื้นกรอนหลังคาก็เปียกชื้นฝาเรือนก็เปียกชื้นอกไก่ก็ผุเปื่อยกรอนหลังคาก็ผุเปื่อยฝาเรือนก็ผุเปื่อยชั้นใดก็ชันนั้นเพราะฉะนั้นถ้าเรารักษาใจกายวาจาทุกสิ่งทุกอย่างก็จะถูกรักษาไปด้วยกันทั้งหมด อันนี้เป็นเหตุของการตายที่ไม่งดงามการกระยา์ที่ไม่งดงามกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมนะมีสภาพเปียกแชบูดเนา่านะไม่งดงามก็เพราะไม่รักษาใจนะ